นะโมตัสสะสัทธวตุอระหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัทธวตุอระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัวตระหตสัมมาสัมพุทธัสสะเวเชวะมุโคนัตถโยตัสนะตวิุติยา เจตนหิตรงเีปฏิปัติธทรทุกขันตั้งคริสตธาริทนณโอกาสบัดนี้อาจมภาพแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องว่าย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากฟังให้ดีนะญาติโยมนะ วา น, นิเทศในหัวข้อที่ว่าย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากมีเสียหัวข้อเทศเราจะย่างไปทางไหนเราก็จะได้ทราบสิทธิถีทางแหชีวิตสต่อไป ท, ทัศนศิลปชนผู้ใจบุญทั้งหลายความมุ่งหมายของการฟังเทศมีอยู่ห้าประการคือหนังฟังเทศเพอบน สสังเทศเอาควมรู้ 3. ามสังเทศพอเป็นอุปนิสัยปัจจัย 4. ีสังเทศเพื่อปฏิบัติตามและห้าสังอูติศส่วนบุนให้แก่พ่อแม่วิอามันนาภูย า, าโควาอาจารย์ถึงตน้นในประการแรกสังเทศเอาบุญได้บุญตรงไหนเราต้องเข้าใจคำว่าบุญซะก่อนบุญแปลว่าชำระชำระกาย ชำระวัจาชำระใจของเราให้สะอาดนั่นคือบุณณ์ถึงที่กายวัจาใจของเราไปเปื้อนอะไรมาแต่เมื่อไรชาตไหนตอกไม่ง่ายเปื้อนบาปบาปคือโลภโทสะโมหะมีอยสามชั้นบาปยำยากล่วงออกมาทางกายกับปากฆ่าสัตว์นักทรัพยพุทธผิปวณี นับตั้งแต่มดดำมดแดงเป็นต้นตลอดทั้งมะเงสากกิงจกตกแก่แล้วก็เป็นบาป ท, ทั้งนั้นนักทรัพย์ของราคาบาทเดียวถ้าเป็นพระก็ขาดแล้วเข็เล่มเดียวก็ห้างประพุทธิตรีนี้ไปคมขืนในจารหรือทิพย์ในโลกเราเมียเขาในโลกในเมียเขาก็เป็นบาปพูดเท็จพูดคําหยาด พูดต่อเสียดโูดเพยเจอร์ก็เป็นบาปนี่มันออกมาทางกายมนก็จะได้ชาระบาปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นที่นี่ยังมีบาปอย่างกลางเรียกว่า น, นิวรณมีห้าตัวมนมงกลามมาฉันทะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปลดกระเาะอันคนธรรมดาสามัญนนชนเหล่านี้ก็ อ, อาจจะคิดว่ามันจะบาปอะไรน พอยใจในรูป ส, สวยอยากได้เสื้อ ง, งามๆอยากจะเป็นต้นไม้งามๆอยากเจริญรถ ส, สวยนอนะก็ของใช้ของสอยตลอดทั้งนกงามผ้าเช็ดหน้างๆๆางามๆผ้าเช็ดังามๆมันไม่น่าจะเป็นบาปก็อาจจะคิดอย่างนั้นแต่มันเป็นบาปเป็นเป็นบาปอย่างกลางมันเป็นกิเลสอย่างกลางแต่บาปอย่างนี้มันไม่ทําคนอื่นให้เดือดร้อนแต่มันอาจจะทําตัวเราให้เดือดร้อนได้ เราเดือดอนตรงไหนเราอยากได้มันก็ต้องไปหาใช่ไหมล่ะเอยจะแสนเงยแอบว่าต้องทนหาอันนี้เราอยากจะได้รูปสวยๆอยากจะตั้งเสียงเพราะๆอยากจะได้กลิ่นหอมๆอยากจะได้รสอร่อยๆ อ, อ, อยากเลยสัมผัสที่อ่อนนุ่มอี่มันเนื้อยากทเฉยๆยังไม่ได้ไปหานะ่ะนึกอยู่ักที่นอนมือเกินในาพาคเนึกนั่งไปตจนไม้เนึกก็ตาม อัง น, นี้ท่านเรยาเป็นบาปแล้วจะเป็นอย่างกลางมันอยู่ในใจของแต่ละบุคคลสองพยาบาทใจโกรธใจขุนเช่นได้ยินเสียงหงเหูหรือฟังอารมณ์ที่เขาพูดมันผิดหัวของเราไม่พอใจแต่ก็ยังเฉยเฉยไม่พูดแต่ในใจรู้สึกไม่พอใจแล้ว่าพูดไม่ถูกหูแล้ว <c oughs> อย่างนี้ก็เป็นโทสะเป็นอย่างกลาง ง่วงเหงาห้านอนเรียกผนะีน้ำนิทะท้อใจอดใจมีก็เป็นบาปอุดทัจจะโคุรจะคุ้คงซ่านลำคาญงดหิดใจมีอยู่กับตัวมันคิดจะน อ, อกเลยมีก็เป็นบาปนิสิธิฉาสงสัยลังเลใจบุญมีไหมบาปมีไหมตายแล้วเกิดอีกหรือไหมนรกสวรรค์มีไหมนี่ห้าตัวนิทะเลขข็กนิวอน เป็นบาปที่กั้นใจไม่ให้บรรลุคุณงามควาดีได้ถ้าสงสัยเราเกิดไม่ได้บาปเลยมันแข็มคันอยู่นะเอ า, เายกตัวอย่างแค่สงสัยสงสัยว่าการปฏิบัติทองหนอยุทธ์หนอเนี่ยมันเซถตผเก อ, อนี่สงสัยอย่างนี้มีคนหนึ่งสงสัยไม่กลุก้าปฏิบัติเม่อพอมีฉันไม่เคยภาวนาเลยหนอหนอไหนๆนั่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เอานี่ จากกรุงเทพไปยจังหวัดเพชรบุรีวัดอะนะมันมีวัดหนึ่งอยู่นั่นเป็นวัดกรรมฐานเพิ่นโลกศิษย์ของอัตมาคนหนึ่งคื่อมหาพ่องที่ไปรเรียนศีลประโยคไปอยู่ที่นั่นเป็นเจา้าสานักวัตรจำพงแรงเนี่ยโยมหนีเสือไปพบเจริญเข้ก็เลยทําลองดูเ น, นี่ยหนอในราคาหลายพันบาทนะแต่นี่กลัวหนอบางแรกค่ะอนนี้สงสัยแต่เมื่อทดลองแล้วหายสงสัยแล้วนะ มันถูกแล้วแต่ก่อนเหนวอก็ไม่ถูกเหนือบางคนพอมาจะเข้าปฏิบัติเขาเฮ่อเป็นสมมตฐาอ้าวชักสงสัยแล้วในนี้เ็าเรียกว่าคนสงสัยหลังเลใจเนี่ยมันให้ขาดให้ขาดจากสิ่งที่เราจะได้มันก็ไม่ได้ตัวอยา่างอีกคนหนึ่งหม า, ายคนทีเดียวเ็าสร้างสำนักขึ้นแล้ว อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่หลยก็มีคนพูดว่าวิธีปเปฏิบัติในของพมา่าในฐานะที่เกลียดพวกมพม่าเผากงศียยอยุธยาเลยไม่อยากเอาแต่ก็มีคนมานิมนต์อาตมาไปอาตมาเขียนกระดันดําขึ้นกนไปไประดาป้ายเวทีศาลาเลยเอาโยมอ่านหนอเนี่ยให้อ่านว่ายตหอตโนต อ, อหนอภาษาลายภาษาไทยมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนรูไหมไม่รู้ก็ว่าฟัง แล้วมีคนเข้าอฐานเยอะเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าสงสัยแล้วมันเป็นยังไงนนะการปฏิบัติของก็ผิดไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทววัตเป็นบาปอย่างกลางมันเกิดขึ้นใน ใ, นใจของแต่ละบุคคลทีนี้บุนก็ชำระบาปอย่างกลางนี้อีกคือสมาธิสามยังมีบาปอย่างละเอียดนอนหลงอยจะมี ใ, ใจเหมือนพี่ตะคอนอยู่ข้นต่อ บาปอันนี้ต้องชำระโดยบุญขั้นละเอียดคือวิปัสสนานี่แหละบุญแปลว่าชำระชำระบาปอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดบุญก็มีสขั้นบุญอย่างหยาบบุญอย่างกลางบุญอย่างละเอียดบุญอย่างต้นบุญอย่างหยาบคือบุญต้นๆ้นก่อชำระกายกับวิจาบุญอย่างกลางคือสมาธิก่อชำระใจจากนิวรณ์ห้าบุญอย่างละเอียดคืออนุสัยแต่บุญอย่างละเอียดคือวิปัสสนาก่อกำจัดอนุสัยสิบสองตัวโลภะแโทสะสอโมหสอง นี่แนหะฟังเอาบุญแล้วมได้บุญอย่างนี้ยอมฮนะเมื่อเรารู้บุญเนี่ยเราก็หาทุกเรื่องมันได้ตรงไหนโยมก็ลองนึกเลยสิลองฟังเลยนะีะมันได้บุญตรงไหนกายสได้ไหมวาจาได้ไหมใจโยมได้ไหมบุญเกิดตั้งกายวาใจใจได้แล้วนะน้อยแล้ว ม, มากหรว่าเฮ้ยสองฟังเอคมุอันนี้ต้องจําถ้าไม่จําไม่ได้อาตมาจะเทศเรื่องอะไรใะโยอมอันเนี้ยย่างไปทางนี้จะได้ไม่ส่งเสียลา ไปทางไหนล่ะฟังให้ดีนะทีนี้สามฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยมันฟังเอาบุญนี่โยมจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็จะนึกว่าไม่ได้บุญนะโยมไหมฟังไปเถอะตั้งใจฟังแล้วมันเป็นบุญแล้วรู้ไม่รู้ก็ตามเช่นพระสวดอภิธรรมโยมฟังไม่รูง้งให้ตั้งใจฟังนะครั้งข่าวมันรู้เรื่องเมั้ยเขายัาง ไ, ไปเกิดสวรรค์ได้งูเหลี้ยงก็ไม่รู้เรื่องแม่ไกลก็ไม่รู้เรื่องมไม่ไปสวรรค์ได้ เราทําไมจะไปไม่ได้อันนี้ฟังเอาบุนฟังเอาคงรู้ต้องจําฟังพอเป็นลูปันนิสัยปัจจัยรู้กัตามไม่รู้กัตามตังใจฟังไปเถอะบางทีก็ทําททงานไปบ้างล้างเครืล้างชาหม่องรับแขกรับคนบ้างแต่ยินเสียงแว่วแววของฟังไปไม่เป็นไรดีกว่าไม่ฟังหลายเท่าข้อที่สี่ฟังปฏิบัติอันนี้สําคัญอันนี้อยู่สองอย่างหนึ่งฟังแล้วจําไว้ เมื่อมีโอกาสไปปฏิบัติตามทีหลังเช่นอาตมาสอนโยมเยี่ยมคลองเรือนมันต้องมีคุณธรรมสีข้อนะพระพุทธเจ้าเรียกว่าคารวะสธรรมหนึ่งสันติคมอดทนสองสัจจะซื่อสัตย์ตกันสามธรรมะอุจฉมใจตจังสีจากหะสีสะระขันติสัจจะธรรมจาาักหะมีคารวะสัตยธรรมโยมก็จําไว้ขันติสัจจะธรรมะจาาักะขันติสัจจะธรรมจาาักหะ สันติค่ามอดทนสัจความซื่อสัตย์ธ ร, ร ม, คมควมามข่มใจจาข้สศิลานะโยมจำไว้ไม่มีโอกาสถึงข่าวมาอ้าวขยันโยมอืมใช่อดทนเวลาทำงานอาเงิอตังน้ำก็สู้ถ้าเหตุมาซึ่งเงินซึ่งทองเลี้ยงตัวครอบครัวทนนลาบากทงกากรกล้ำทนเจ็บใจเอาไปปฏิบัติทีหลังก็ได้แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติวิปัตนาปฏิบัติคณะนี้เลยคณะนี้ โยมตั้งเทศเดี๋ยวนี้ปฏิบัติได้เลยกำหนดตรงไหนที่วัดมห า, าธาตุพุกวันพระจะต้องมีเทศทิศนาหะสําสหรับนักปฏิบัติทั้งหมดที่ปฏิบัติอยู่นายาดโยมในโบสถ์มีศรัทธามาฟังก็ได้ต่างอยู่บ้านไปฟังก็ได้ท่มสองทุ่มถ้าไม่มีธุระถ้ามีธุระประเทศไว้กว่านั้นสองทุ่มเป็นกฎเกณฑ์ส่วนมากเทศก็ให้นั่งกรรมฐานไม่ใช่ฟังเฉยๆขัดสมาธิหลับตาฟัง กำหนดเลยกำหนดได้ยินเนอยินเนอยินเนอยินเนอยินหนอที่หูสมัยพระพุทธเจ้าฟังอย่างนี้เป็นส่วนมากเป็นพามหิยะภารุริยะในยินก็สักว่าได้ยินก็คือได้ยินเนาะเห็นก็สักว่าเห็นก็เห็นเนอะนี่เรียกว่าฟังปฏิบัติทําไมจึงต้องปฏิบัติขณะนั้นก็เพราะกิเลสมันเกิดในขณะนั้นด้วยหันห้าเกิดในขณะนั้นด้วยเกิดตรงไหนเสียงกระทบหูไง เวลาอัตมาเทศอยู่เด๋ยวนี้โยมได้ยินไหได้ยินได้ยินนี่ขันห้าเกิดแล้วนายโยมนะตรงไหนเป็นรูปเสียงอัตมากับหูโยมเสียงอัตมาจากสายเนี่ยวิทยุยานเกาะเนี่ยมันไปกระทบหูโยมโยมก็ได้ยินเสียงนี้ขันห้าเกิดแล้วเสียงกระโผนี่เป็นขันหนึ่งเรียกว่ารูปประขันทีนี้เมื่อโยมฟังเสียงอัตมาแล้วโยมรู้สึกยังไงโยม แต่าบางคนถูกใจเขยเทศทันใจฟังดีฮะถ้าเกิดสบายใจใช่ไหมโยมสบายใจนี่ละขครไหนทุกขเวทนาเป็นเวทนาขันถ้าคนไหนฟังแล้วใช้ไม่ได้องค์เนี้ยอดอะไรก็ไม่รู้นะมีทุกขเวทนาก็เป็นเวทนาขันอีกถ้าคนไหนฟังแล้วเฉยๆดีก็ไม่ว่าทั่วก็ไม่ติฮะเฉยๆอย่างนี้เรือโอเบขาเวทนาก็เป็นเวทนาขันได้สองขันแล้วนายโยมนะ ยี่นี่จำได้ว่าตออมีเสียงอาจารย์หนอมาแล้วหลวงพ่อหนอมาแล้วอ่ามีสัญญาขันหรือจําอาจารย์หนอไม่ได้มี่่พระทันเทศกาลังสอนธรรมะอะจําได้กว่ากําลังฟังธรรมะก็เป็นสัญญาขันแล้วแต่ไงเห็นว่าเออทันเทศชาหรือเทศเร็วชาดีหรือไม่ดีเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่น่ยเป็นสังขารขันแปลว่าพรุงแตง่งที่ได้ยินเนี่ยโอ้แวนในวิญญาณครอบผ้าขันในอยัางยม่ม ในยินเสียงครั้งหนึ่งขันห้าเกิดแล้วขันห้านี้แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นภรมของวิปัสสนาที่เราวิปัสสนาพรมหกขันห้าอาจะนาติสองธาตุสิบแปดกินสีสองอริยสัจสีปฏิจจสมุปสีสองนี้คือภรมของวิปัสสนาเมื่อมันโผลขันห้าแล้วมันก็เป็นภรมแล้วก็มีทางเดินเนี่ยจึงต้องกําหนดขันห้าโยมกำหนดได้ยินน้องได้ยินน้องมันโผกขันห้าแล้วโผก่รกับนามแล้ว ขันหย่อให้สัน้นก็เหลือสองคือรูปกับนามรูปคงไว้ยุทนาชยาทั้งขันมีญันเป็นนามก็เหลือสองคือรูปกับนาำได้ยินน้องคือกำหนดรูปกับน้ำกำห น, ด, น, ำำนดขนันห้านี่เลยกิเลสมันก็ขาดถ้าฟังเฉยๆกิเลสไม่ขาดนายมนะสมมุติโยมจะฟังอัตมาเทศจนจบกันกิเลสไม่ขาดแต่บุญก็ได้เป็นบุญคนละขั้นเขาเรียกกลามอาวจรบุญบุญขั้นกลามฟังเฉยๆอยู่ในบุญขั้นกลาม ากามอยจรกุศลหรือกามอยจรบุญถ้าเราท่องคิด อ, อยู่ในกามคือในโลกมนุษย์นี่แหละะบุญส่วนนี้ยอยู่ในสวรรค์หกชั้นบางอยู่ในมนุษย์บ้างเรียกว่าบุญขั้นกามมันอยู่แค่นี้แต่ถ้าโยมฟังด้วยการกำหนดได้ยินเนอะได้ยินหนอแล้วไม่ใช่บุญขั้นกามบุญขั้นนั้นมันเป็นขั้นที่จะไปโนกุตฏะจะต้องการบุญเหนือโลกเพราะฉะนั้นถ้าโยมไม่กำหนดมันก็เป็นบุญขั้นกาม ถ้ายอมฟังแล้วก็หนดได้ยินน้อยได้ยินนอยินน้อยินน้อยยินน้อนี่เป็นบุญขั้นภาวนาแล้วต้องการจะไปนิพพานแล้วกิเลสขาดพอได้ยินนอครั้งหนึ่งกิเลสขาดไปจิตชาติได้ยินนอได้ยินน้อยได้ขาดไปที่ละจิตชาติจิตชาติแต่ต้องในองค์สามหนึ่งอาตาปีตั้งใจทําสองสติมาสติคอยจ้องอยู่ที่หูสามสัมปชโนคอยจับอยู่ที่หูโยมอย่าให้เผลออย่ยินน้อยยินนอ ยินน้องยินน้องนี่เพราะขาดไปขาดไปขาดไปทาไมมันจึงขาดมากอย่างนั้นล่ะอาจจะไม่ขาดมากอย่างไรเดือนเมษายนก็หนดไดยินน้องครั้งหนึ่งนี่ยึดของโยมเกิดดับทิพยเจ็ขณะอัตยุตตะผวังผวังคจรณะผวังอุปิสิทะปัญจทวารภัจฉณะโตตวิญญาณสัมปชิตชนะสันติรณะโภทพนะนี่ยังไม่เป็นบุญพราะชวนะดวงที่หนึ่ง ดวงที่สองสามสี่ห้ากเจ็ดสี่เจ็ดชวนาเนี่ยเป็นบุญไอ้กิเลสมันขาดในชวนาดวงที่ห น, นึ่งถึงดวงที่เจ็ดนี่แหละท่านขาดไปเจ็ชาตินั่นแหละเนี่นยทำไมจังขาดเพราะศีลสมาธิ ป, ปัญญาเกิดศีลยึดขั น, ขนห้าเป็นอารมณ์สมาธิยึดขนันห้าเป็นอารมณ์ปัญญายึดขันห้าเป็นอารมณ์นี้คือมรรคแปดมรรคแปดย่อให้สั้นเหลือศีลสมาธิ ป, ปัญญาเพราะฉะนั้นกขาโดดได้ยินเนอะยินเนาะในกิเลส ข, ขาดไปถึงเจ็ดชาติแล้ว เป็นที่ว่าเราฟังปฏิบัติฟังอย่างนี้ได้ผลเยอะสมัยพระพุทธเจ้าฟังอย่างนี้นะเอาล่ะอันนี้เป็นความมุ่งหมายของการฟังเทศฟังเอาบุญได้บุญตรงไหนโยมก็จะได้สราบวันสักทีนึงแล้วจะได้ปฏิบัติถูกต้องฟังเอาความรู้แล้วก็ฟังพอเป็นิอุปนิสัยฟังปฏิบัติที่นี้ฟังอุทิศบนบุญเมื่อฟังแล้วได้บุญก็อุทิศให้กับตายพ่อแม่พี่น้องเห็นฟังเทศในงานศพเป็นต้นจบเลยนะเห็นความมุ่งหมายประชินละกะ ตอนนี้จะเทศให้องเข้าว่าย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากอาศัยหลักพระบาลีว่าเอเสวะมัคโคนัทถันโยทางสายนี้เท่านั้นที่เป็นไปพร้อมเพรความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายทางสายอื่นหนึ่งเอเสวะมัคโคนัทถันโยทางสายนี้เท่านั้ น, ท า, นทางนัทถันโยทางสายอื่นหนึ่งทัศนศวิสุทติยาที่เป็นไปพร้อมผพรความบริสุทธิ์ ทัสนัตตะเพื่อความเห็นอันบริสุทธิ์วิสุทธิยาเพื่อความเห็นอันบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสายนี้เท่านั้นเอตันหิตมเหปฏิปัติภะเชิญ ท, ท่านทลายเดินทางสายนี้เถิดเอตันหิตมเหปฏิปัญ น, นาเมื่อท่านทหลายเดินทางสายนี้แล้วทุกขสัตตนังกฤตตังท่านทลายจะทำที่สุดแห่งกองทุกขให้สิ้นไปได้ทางสายนี้คือสายไหนก็ย่อยอธิบายต่อไป นี่ทางเดินของเรามันมีเก็บเส้นนายโยมนะหนึ่งทางไปนรกด้วยเจโทรสระตายด้วยโทรสระตกนรกแน่โทเสนะหิเยโพยนาสตตานี้ยังอุป ป, ปัชันติจิงอยู่คนทั้งหลายตายด้วยโทรสระตกนรกพระเทวทัตเรื่องก้อนหินจะฆ่าพระพุทธเจ้าโทุกเป็นน่งตกตกนรกแล้วทั้งที่บวชในสำนัพกพระพุทธเจ้าแทา้แต่ว่าไม่เอากิเลสออกมันก็ตกนรกได้พระพุทธเจ้ารับรองไม่ได้ผ่าตัวไม่รับรองตัวเองนะ เส้นที่สองไปเป็นเปรตอสุรกายนรกมันอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เคยเทศไปแล้วไปเป็นเปรตอสุรกายแล้วเรียกกันว่าพิหลอกไปพระโลภเส้นที่สามไปเป็นสัตว์ริษานพโมหะเส้นที่สี่ไปมนุษย์เพราะสินห้าเส้นที่ห้าไปสวรรค์พระมหาคุศลแปดเส้นที่หกไปพรมโลกเพราะเจริญสมุทัเส้นที่เจดไปนิพพานเพราะเจริญนิพพสนานี่ไปเส้นนี้นะอย่างไปทางนี้คือไปทางที่จะไปนิพพาน ทำไมจะไม่ได้ต้องเสียเวลามากงั้นจะไปนิพพานก็ต้องไปทางไหนมรรคแปดนั่นแหละสมได้ทอดตัดไปแล้วอืมทางสายนี้ก็คือมรรคแปดในแนวปฏิบัติสุียเทศในวันนี้มรรคแปดธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรจำครองใดทางนั้นแหละสมาทิที่เห็นชอบสมมาสังฆโพดํารีชอบสมาวิจาวิจาชอบสมาสรรมโทการงานชอบสมาชโฉเป็นอยู่ชอบสมาวายโฉเพียรชอบสมาสติชอบสมาสมิสตั้งใจชอบ อมีเท่านี้ย่อให้สั้นกันเลยสามสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาตังคโปูดาริชอบอย่อลงเป็นปัญญาสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมารกรรมโตการงานชอบสัมมาอโชเป็นดุชอบอย่อลงเป็นศียสัมมาวิโมเพียนชอบสัมมาสติสารุษชอบสัมมาสมาทิสตั้งใจชอบอย่อลงเป็นสมาธิมักแปดย่อให้สั้นเหลยสามทีสมาทิปัญญานี่ปริยัพว่าไว้เท่านี้ไม่ยากง่ายแต่ทีนี้จะว่าปฏิบัติทีเนี้ย ปริยัติว่าเปเทา่านี้ปฏิบัติสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอะไรกันแน่จึงจะเป็นเห็นชอบอย่างโยมเห็นว่าเออวันพู่นี้วันพระจะไปฟังเทศปฏิมาธาตุหรือฟังเทศวัดใกล้ๆนี่เป็นเห็นชอบไหมเห็นชอบแต่เป็นมรรคแปดไหมไม่เป็นทาไมไม่เป็นอารมณ์คนละอย่างานี่สืสําคัญตรงนี้นะโยมนะเออ ยอมเห็นว่าคนเราเนี่เกิดมาทุกคนก็มีกรรมกรรมเป็นของตัวใครทําดีได้ดีใครทําชั่วได้ชั่วเนี่ยอมเห็นอย่างนี้เห็นถูกไหมเห็นชอบไหมชอบไม่ผิดแต่ว่าเป็นมรรคแบบไหมไ ม, ไม่เซนเพราะอะไรเพราะมันเป็นกุศลกับมาบดไม่ใช่รักแต่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นพราะอารมณ์คนละอย่างเห็นอย่างนี้มีบัญญัติเป็นอารมณ์มรรคแปดเขาต้องมีอารมณ์อีกอย่างหนึ่งอันนี้สําคัญนะอ่า สำคัญตรงนี้สี่มักแปะเข้าใจไม่ถูกก็เดินไม่ถูกนะนี่จะเห็นว่าจเจริญธรรมะถาดีอาจารย์สรรมะถอดสอนเยอะบางอาจารย์ก็สอนนมะนพทะนมะกัทะจะไปดูโงดพทะจิตแจ้งศชลมณีโนนจะให้ใดมโนวิจิตรโนนอน้อาวอาจารย์ก็สัมพุทธโทสทธสัมบทโธอา้าวอาจารย์บางอาจารย์ก็สัมมาอะหังบางอาจารย์ก็หายใจกาพดหายใจออกโธบางอาจารย์ก็พดโธพดโธ หลอาจารย์ก็แผ่เมตตาเ อ, อเป็นสมัมมาทิฏฐิในมรรคแปดไหมไม่เป็นเพราะอะไรเพราะอารมณ์คนละยางนะเราก็จะได้เข้าใจถูกนะเป็นสมัมมาทิฏฐิตายตัวเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสีเห็นอย่างอื่นไม่ใช่ดังนั้นสมัมมาทิฏฐิในมรรคแปดจึงต้องแกะออกเป็นห้านะหรือหกนะโยมนะจะได้ตัดถิ่นถุก หนึ่งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเห็นว่าทำสัททุกคนมีกรรมเป็นของตนทำดีใดดีทำชั่วได้ชั่วแล้วเรล่าชั่วทำดีเสียเด็นไปวัดสมาทานชิ้นห้สมัทานชิ้นแปดไหวพังสดมลละชั่วไม่ทำบาปแล้วอย่างนี้ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิในมรรคแปดเป็นแค่กุศลกับมบทดิษเท่านั้นเพราะอารมณ์คนละอย่างสองฌานะสัมมาทิฏฐิ นิ้นว่าการเจริญสมมติเป็นของดีเป็นพระท่านสอนไถ่หวานน้ำพระพระกลับไปปฏิบัติกับท่านท่านสอนว่าสัมาอะหังโธ่ก็ไปปฏิบัติกับท่านท่านสอนว่าสมพุทธโธถกูกไปปฏิบัติกับท่านแต่สอนให้นั่งโดยเฉยไม่ตองภาวนาอะไรไปปฏิบัติกับท่านเถอะนั่นก็ไม่ใช่มักแปดเพราะอะไรฮาเพราะมันไม่ถูกปรามัดถิ่นธรรมไม่ถูกขันห้าไม่ถูกรูปถูกนามไม่ถูกอะไรอริยสัจมัจะเป็นได้ยงไง อ, อย่างไรอารมณ์คนละอย่าง อันนั้นเป็นแค่กุศลกาเจริญธรรมะก็เป็นกามาดูก่อจรกุศลไปแค่นี้ทีนี้วิปัสนาสัมมาทิฏฐิเห็นว่า ก, กันเจริญวิปัสนาเป็นของดีแล้วลงมือเจริญเจริญวิปัสนาเป็นเดินตรงครมนั่งกำนวดย่อมเดินเดินตรงกรมขวาย่างนอา้อซ้ายย่างนอ้อ นี่ตรงนี้เป็นสมาทิฏฐิในมรรคแปดเพ่มแล้วตรงไหนนะ่ะลองนึกดูทิฏฐิเนี่ยเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่ตรงไหนเป็นอริยสัจหาซะก่อนขท้าของโยมที่ก้าวไปมันคือขันห้านี่แหละขันห้าที่ก้าวไปนี่แหละเป็นทุก ข, ขสัจจะของจริงคือก้อนทุกได้ควหนึ่งนะตัณหาก่อนๆที่ให้โยมก้าวไปนี่กรรมานิเป็นสมุทั ย, ยาสัจบาลีธนปุริมีกาตัณหา ในอัตถกถามหาสติฐานสูตรแจ้งไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งในขณะที่ก้าไปนี่แหละทุกขสั์ก็มีสมุทัยสัต์ก็มีขยองกําหนดแล้วก็มัคขสั์ก็มีอนิโรธสัต์ก็มีถ้าโยองก้าวไปเฉยๆไม่ได้กําหนดอันนี้มันเป็นทุกขสัต์ไม่ใช่ทุกอริยสัต์นะถ้าก้าวไปเฉยๆนีเขาเรียบว่ทุกขสัตจขยองกาหนดขวาย่างนออันนี้เป็นทุกขอริยสัต์แล้ว สัญหาส่วนก่นที่ให้เกิดขึ้นข้าหาก่ากำหนดจึงจะเป็นสมุทัยอริยสัจโปรดฟังให้ดีถูกอริยสัจแล้วนะโยนะกำหนดขวาย่าองหนอนี่ถูกอริยสัจสี่แล้วขาที่ก้าวไปนั่นแหละนั่นแหละคือขณา น, นี้เป็นพุทธอริยสัจของจริงนี่ที่ห่างไกลจากข้าศึกพุทธอริยสัจจะพุทธะอริยสัจะจะ ทุกก็แปลว่าทุกอริยแปลว่าค่าศึกยะแปลว่าห่างไกลสัจจะของจริงของจริงที่ห่างไกลจากค่าศึกคือกิเลสโยมกําหนดขวาแยกน้อมกิเลสตายไปเจ็บชาจึงนี่คว่าอริยะขวาขวาที่ก้าวไปนี้เป็นขันห้านี้คือทุกขะสัจเมื่อกําหนดขวาแยกน้อมเป็นทุกขอริยสัจ ตัณหาก่อนๆที่ให้ก้าวไปก้าวมาเป็นสมุทัยอริยสัจของจริงที่ห่างกลจะกฆาศึกคือสมุทยัยสมุทัยมันหยุดทําหน้าที่ฆาศึกคือกิเลสตายตายไปกิดชาติรัติที่กําหนดขวาย่างเนอะนั้นเป็นมรรคอริยสัจตัณหาก่อนๆกิเลสก่อนๆมันดับลงไปเกิดชาติเป็นนิโรธอริยสัจ อย่างนั้นในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านจึงกล่าวไว้ว่า<ม>สติที่กําหนดขาที่ก้าวไปนั้นเป็นตัวทุกขสัพปะสาสมุทถาติกาโูริมะตัญหาตัญหาก่อนๆที่ให้สติเกิดนั้นเป็นสมุทยัยสัพปะหินนังอปปวติความไม่เป็นไปแห่งทุกขสมุทยัยเป็นเนโรเนโรธะอริยสัพ ทุกขะปริชาณโนสมุทยปัจจานุนิโรธารมโนอริยมขโหมขสัตทุกขะปริชานณโนสมุทยปัจจานุนิโรธาร ม, มนโนอริยมขโหมขสัตจังอริยมัตกําหนดรู้ทุกขะนนสมุทยมมัยมีนิโรตเป็นอารมณ์เป็นมัคคสัตนี่ก็ทาหน้าที่อยู่ที่เดียวกันนะทั้งทุกสมุทยัยนิโรตอยู่ที่นั้นแหละพร้อมกันเหมือนกับโวมจุดเทียนบูชาพระ เมืเ่อยมเก็บเทียนขึ้นแล้วหนึ่งไส้เทียนสองที่พึ่งสามแสงสว่างสีมืดไสเทียนก็หมดไปที่พึงก็หมดไปแสงสว่างก็ออกมามืดก็หายไปทีอย่างนี้ไม่ก่อนไม่หลังกันชั้นใกดก็ดีอริยาสัตจีก็ต้องทำหน้าที่พร้อมกันพร้อมกันอย่างนี้นะแต่มันเป็นโลกิยะเพิ่งเริ่มปฏิบัติแต่ถึงนั้นก็มีอำนาจนิเรศยังขาดไปถึงเก็บชาติเอาอย่างไรโยมพอขวาย่างน้องนี่ขาดไปเก็บชาติ ต า, ยยางยยากหน่อยนี่ขาดไปจิตชาติแต่ต้องในองค์สามให้ทูรักนะทำํำไมจึงขาดเพราะศีลสมาธิปัญญามรแปดทําหน้าที่อริยมร์นี่นี่เลยเกิดแล้วนะในเวลาเดินเอาเวลานั่งทีเนี้ยโยมเดินน 8, ี่เห็นแล้วมรแปดสมาธิเห็นแล้วเห็นชอบคือริยะศรีสัมมาสังกัปปะอยู่ตรงไหนโยมเดินเนี่ยสังกัปปะเขาแปลกําหนดชอบคือกําหนดจะออกออกจากกิเลส ขวาย่างน้องในกิเลสมันขาดไปแล้วนี่แหละเป็นกัปปะสังกัปปะเาแปลว่าตัดกิเลสตามสัพปะกำหนดตัดกิเลสมันขาดไปแล้วนี่ขวาย่างน้องนี่ขาดไปจิตชาติกัปปะไม่ใคยคิดนะสังกัปปะตัวนี้โดยมากแไปลว่าดำรีชอบเราในนึกบนคิดที่จริงไม่ใช่คิดตัวเนี้ยตามสับแปลว่ากำหนดแปลว่าตัดมัน ก, ก, กำหนดชอบเพื่อกำหนดออกจากกิเ ล, ลามมาตส ต, ตๆๆามโตนิสโตติเนคขโม การออกจากกิเลสกามคือโลภะตัณหาอะไรเรียกว่ากัปปะในที่นี้แปลว่ากำหนดชอบม mm hmm. ันเกิดนพร้อมกันแล้วเขาย่อลงมาก็คือตัวปัญญาได้แก่สัมปชัญญะไงล่ะวิูทีเดียวกันเลยเนะี่ยทีนี้สัมมากรรมันโตสัมมาวาจารสัมมาวาจานี่ไม่ใช่พูดชอบนโยมนะสัมมาวาจาวาจาชอบแต่ไม่ใช่พูดขณะที่โยมเดินโงกรมนิยมไม่ได้พูดเลยนึกในใจไม่ได้ออกปากแต่ทําไมมันเป็นสัมมาวาจาได้ จะไปเข้าใจแคบสัมมาวจารเนี่ยมันมันแบ่งเป็นสามส่วนหนึ่งจิตนาสัมมาวจาอัตมาตั้งใจจะเทศวันนี้ให้โยมเข้าใจดีนี่ไม่ใช่มักแปดโยมเป็นจิตุโสนกมบทิอืมตั้งใจจะมาเทศหโยมฟังวันนี้ให้เข้าใจวันอาทิตย์เนี่ยเอาทางนี้แหละให้แน่งานนี้เป็นจิตนาสัมมาวจาไม่ใช่มักแปดโยมนะเป็นกุโสนกมาบทเซฟ ถึงจะพูดดีแ่นะั้ก็ตามสองคาถาสมาาัมมาวิจารวิละพูดอัตมาเขาพูดดีเป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้ก็ไม่ใช่มักแปดโยมเป็นกุศลกับมาบ ท, ทีมีบัญญัติเป็นอารมณ์สามวิรตีสมาาัมมาวิจารอันนี้ถึงจะเป็นมักแปดวิรตีสมาาัมมาวิจางดเว้นเด็ดขาดจากกยตทุกจริตสามมาจากวิจีตรจริตสี่โยมจากวิก 4, จวิตรจริตสี่ 4, หมายความว่า ขณะที่โยมเดนินโยกรมขวาย่างหนอเนี่ยพูดเท็จไม่มีใช่ไหมพูดคำหยาบไม่มีใช่ไหมพูดต่อเสียดไม่มีใช่ไหมพูดเพ้อเจ้อไม่มีใช่ไหมมีได้ยังไงเพราะใจโยมอยู่ที่ส้นเท้าในี่ขวาย่างหนอนี้แหละเขาขเรียกวิรติสัมมาวจจอันนี้จึงจะเป็นสัมมาวจจในมักแปกต้องได้รูป ก, กับนามเป็นอารมณ์ สัมมากัมมันโตข้อที่สีเหมือนกันการงานชอบนีนแ้แจกๆไปเป็นสามหนึ่งเจตนาสัมมากัมมันโตอัตมาตั้งใจจะทํางานให้ดีที่สุดโยมก็ตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดแต่เป็นข้าราชการเป็นอาหารตารวจพอค้าประชายชนคิดตั้งใจให้ดีวันเนี้นี่ก็เป็นกุศลกรบมบดิ บ, บไม่ใช่มรรคแปดยาถาสานะสัมมากัมมันโตเ ว, วลาทําก็ทําเต็มความสามารถนี่ก็ไม่ใช่มรรคแปด เป็นกุศลของมบสิทธี์วิรตีสัมมารกรรมันโตฮดเว้นเด็ดขาดจากกายทุกจริลุสามโจมเดินจงกรมขวาย่างหนอเนี่ยฆ่าศักดิ์มไหมลักทรัพย์มีไห ม, มไปเย่งลูกเตียงนียเขามีไหมไม่มีไม่มีเป็นหรื อ, อยังเป็นสัมมารกรรมันโตหรือยังการงานชอบแล้วนีแหละเาเรียกวิรตีกษษษิตติสิทธิ์วิรตีสัมมารกรรมันโต งดเว้นเด็ดขาดจากกาจใช้ทุจริตสามจริงจะเป็นสัมมากัมมันโตในมรรคแปดเป็นการงานชอบต้องมีรูปกับนามเป็นอารมณ์ในมรรคเบื้องต้นนี้อ่าจบไปแล้วสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบไม่จะเลี้ยงคิดชอบมันแยกออกเป็นสองอย่างหนึ่งวิริยะสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบหรือเลี้ยงคิดชอบเพราะอาศัยข่มเพียนตัวนี้แปลว่าเลี้ยงคิดชอบก็ได้ เป็นอยชชอบก็ได้เป็นโยชชอบเพราะอาศัยความเพียรเลี้ยงชีพชอบเพราะอาศัยความเพียรเลี้ยงชีพของโยมได้แต่ว่าอาศัยความเพียรนะเพียรหาเงินหาทองหาข้าวหาของนี่เป็นอัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรโยมขยันหาเงินหาทองหากดเจียวขายกอดตามเป็นขยันทําการทํางานกอดตามใช้ทาไรใช้นากอดตามเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรเลี้ยงชีพชอบเพราะอาศัยความเพียร อันนี้ไม่ใช่มักแปดนิยมนะเป็นกุศลกับโมบทเสพและบางทีก็ไม่ใช่เป็นกุศลเป็นอยู่ชอบเหมือนกันขึ้นไปฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นชาวประมงจับปลายอย่างเนี้ยอไม่ผิดกฎหมายเป็นอาชีพชอบแต่มันไปฆ่าสัตว์น่เนี่เพราะอาศัยความเพียรเหมืองกันแต่อันนี้กฎหมายเขาไม่ปรับพอขออนุญาตแล้วนี่เป็นชาวประมงแล้วแต่ไปฆ่าสัตว์ดังมันก็เป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรแต่เรื่องฆ่าสัตว์ไม่ถูกพูดถึง นี่ไม่ใช่มรรคแปดนิริยาสวิรัตีสมัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะงดเว้นเด็กขาดจากกายทุกข์จริตสามวิจิตรจริตสอันนี้เป็นมรรคแปดนใกโยมเดนินขมขวาย่างหนอขณะ น, นั้นกายทุกข์จริตสามไม่มีวิจิตรจริตสีไม่มีนี่แหละเป็นสมัมมาอาชีวะในมรรคแปดต้องยึดขันห้าเป็นอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่ไปยึดอะไรเป็นอารมณ์ทั้งนั้นมรรคแปด มันจะเข้าพร้องกันได้ตรงไหนลองตั้งปัญหาถามดูสิออืมนันเป็นมัคคสมังฆีในขณะอิตเดียวเท่านั้นและถ้าไปวันนี้ไปค้าขายชอบวันพวงนี้ไปเห็นชอบมันปรนนี้ไปพูดชอบวันต่อไปโนไปทําการงานชอบต่อไปโนไปเลี้ยงชิพชอบที่ชาติหนอมัคแปดจะเข้าพร้องกันไม่มีทางเลยอนั่นคือเข้าใจมัคแปดผิดมันก็ไม่เข้าพร้อมกันได้มัคคสมังฆีมีไม่ได้ มักแปดต้องเกิดในขณะจิตดวงเดียวเท่า น, นั้นเวลาจิเลตจะขาดมักขจิตดวงเดียวอือาอาันนี้เรียกว่าอาชีพชอบนะอาชีวะนี่สัมมาอาชีวะที่นี้สัมมาวายมะเพียรชอบนี่ก็แบงเป็นสามขั้นเพียรขั้นต้นเพียรฮะเงินฮะทองฮะข้าวฮะของอันนี้เป็นความเพียรชอบธรรมดาของคนในโลกไม่ใช่มักแปดเพียรสร้างบุญสร้างกุศลให้ท่านรักษาศีลฟังธรรมอันนี้ก็ไม่ใช่มักแปด มักแปดเป็นความเพียรชอบสี่ประการเน่งสังวรประทานเพียนระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสัญญานสองตหานประทานเพียนละ บ, บาปที่เกิดและให้เสริมไปสามเผานาประทานเพียมันเพินศีลธรรมทิมใหญ่เกิดขึ้นเสียนุรักษ์าประทานเพียสสนรักษาศีลสมาธทิมใหญ่ให้มันเกิดขึ้นบ่อยบอยบ่อยบอยอ้าวโยมโดในลกรมขวาย่างนอสังวรสติมันกันไม่ให้บาปมันเกิดไม่ให้มันรั่ว น, นี่แหละสังวรประทาน เพียงระวังไม่บาปเกินสติสังวรยังไงล่ะเพราะขวาย่างเนอะนี่สังวรประทานสองขณะที่ขวาย่างเนอะนี่กิเลสขาดไปจิตชาตินี่ปะหานอประทานละบาปที่เกิดแล้วคืออนุใส่ไม่ใช่บาปที่เกิดในชาตินี้อืมบาปเช่นนี้ไปฆ่าเป็ฆ่าไกลฆ่าบัวฆ่าคอยไปรักตไป้นเข้ามามันละไม่ได้หรอกแต่บาปที่ ว่านี่ท่านเรียกว่าบาปก่อนๆปุริมีกาบาปบาผติดในภพ ก, ก่อนเรียกว่าอนุใสไม่ใช่กิเลส ท, ที่ทําในชาตินี้เป็นอนุสัยกิเลสติดมาในชาติก่อนด้วยชาติก่อนนอนเพราะฉะนั้นปหาหนุมาทานเพลนละบาปที่เกิดแล้วคืออนุใสกิเลสสามภาวนาบัตถานเพียนบําเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นบ่อยขวาแยกเนาะนิสิ น, นสมาธิปัญญาเกิดสายแยกเนาะนิสินสมาธิปัญญาเกิดเรียกว่าทําบ่อยๆปุนับปุนังวัเทตภาธิภาวนาเนิบบ่อยๆ นี่คือภาวนาข้อทีศีอนุรักษณารักษาจิตของเราให้มันอยู่กับขันห้านี่จึงจะเป็นสัมปทานความเพียนศีในมรรคแปดต้องยึดขันห้าคือรูปนามเป็นอารมณ์ทีนี้สัมมาสติระลึกชอบระลึกในสติปัฏฐานสน่ร ล, ลึกอื่นไม่ใช่หรือพุทโธพุทโธก็ไม่ใช่ระลึกยือสาโลมาก็ไม่ใช่แนะนำเป็นสมมถาอันนี้ต้องลึกระลึกชอบในสติปัฏฐานสี่ ขวาย่างหนอขาที่ก้าวไปนี้เป็นกายานุปัสนาปติปัฏฐานขณะที่ก้าวไปนั้นรูเ้เฉยเฉยนี้เป็นเวทนานุปัสนาปฏิปัฏานใจรู้ว่ากําลังก้าวขาขวาไปเท้าขว า, ไ ป, า, ขวาไปนี้เป็นปิตานุปัสนาสติปัฏฐานขันห้าขาที่ก้าวนั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเมีย น, นี้เป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน ขาที่ก้าวันนี้เป็นตัวทุกขสัจจะทุกขสัจจะก็เป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานสติที ives, ่ MacBook, กหนดขวาย่างหนอนี่เป็นสติสัมโพธชงสติสัมโพธชงก็เป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนี่มันถูกสติ ham, ส Rings สส 4, ปัฏฐานเลยโยมสัมมาสติรักภาพและวลึกในสติปัฏฐานสี่อย่างนี้หลังมาสมาธิตั้งใจชอบคือเจริญฌานฌานน่ะมีสองอารมณูปนิชฌานลักคนูปนิชฌาน ถ่ายมไปเพ่งกระสินเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งโลเพ่งไปเพ่งลงเขาเรียกลักคโนก็เรียกว่าอารมณูปนิชานไปเพ่งอารมณ์สีสิบประการอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นสมถะลักคโูปนิชานเพ่งพัดไตรักที่กําหนดขวาแย้งหนอนิเพ่งพัดไตรักคืองกับน้ำเพ่งอนิจจังทุกขณาต่างนี่จึงจะเป็นมักแปเพราะฉะนั้นสมมติทั้งแปดย่อแล้วก็เหลือสามสีลสมาธิปัญญา ศีลก็ต้องยึดขันห้าเป็นอารมณ์สมาธิก็ต้องยึดขันห้าปัญญาก็ต้องยึดขันห้าครุภำนามยึดอารมณ์เดียวกันไปพร้อมกันไม่ขอนไม่หลังกันเช่นขวาย่างเนาะนี่กายกรรมสามมิกรรมสี่ปริสูตนี่คือศีลใ น, นมรรคแปดต่างกันนะใจของโยมที่ต้องอยู่ที่เท้าที่ก้าวไปนี่คือสมาธิ สัมปชัญญะรู้ตั้งแต่เริ่มยกกลางยกสุดยกนี้ตัวสัมปชัญญานี้คือปัญญาในมักแปเห็นไหมนี่มักแปดอยู่อย่างนี้เกิดอยู่อย่างนี้ขวายย่างเนอะมักแปดก็คือดกิเลสขาดไปจิตชาติสายย่างเนอะมักแปดก็เกิดกิเลสขาดไปจิตชาตินี่คือทางที่ถูกต้องที่สุดหลังป็นวรดกดั้งเดิมของสมเด็จพ่อคือสติปัฏฐานสี่ก็คือมักแปดนิปัตนาอันเดียวกันนะ จเจริญวิปันสปา น, ส น, ก 8, กน า, าก็คือจเจริญสติปัฏฐานสีเจริญมรรคแปดมรจิมาไปเลยฮะก็คือเจริญสติปัฏฐานสีอยู่ที่เดียวกันนั้นแหละอ่าทีนี้เมื่อเดินจงกรมเสร็จแล้วโยมนั่งจะที่ทีเนี่ยมันเป็นตรงไหนทีเนี่ยมรรคแปดขณะที่กําหนดพองนองยยหน้อเนี่ยตรงไหนเมื่อกินน้นีทราบมาแล้วว่ามรรคแปดคือเห็นชอบดำริชอบเมื่อย่อให้สั้นเหนือสามคือศีลสมาธิปัญญาตอนนี้จะเอาย่อไม่เอาพิสดา น, นะทีนี่ โยงกนดท้องพองนอยึดหน้อยตรงไหนเป็นใสจะเป็นศีลข่ะ ท, ที่กนดพองน้อยนี่กายกรรมสามนาทีกงสงศีวริสดนี่คือศีลในมักแปดยดรูปกับนามเป็นอารมณ์ตอนนี้เป็นมักเบื้องต้นเรียกว่าบุพ ภ, ภาคมักยังไม่ใช่อายมักเพราะเพิ่งเริ่มทำนี้พอต่อไปก็ทองนอยยหน้อยใจเขาโยมไม่เผอจากอาการโนนแพร ข, ของท้องนี้เป็นสมาธิในมักแปด รู้ตั้งแต่เริ่มพองกลางพองโซพองนี้เป็นตัวปัญญาเขาเรียกสัมปชัญญะนี่ไม่เคยปัญญาในมรรคแปดมรรคแปดต้องยึดขณะเป็นอารม์ีนสมาธิปัญญาอื่นจากนั้นไม่ได้นั่นั่นมรรคขสมังขีมรรคทั้งแปดต้องเข้าพร้อมกันในขณะจิตตรงเดียวกันไปเข้าตรงไหนคอยฟังต่อไปอันนี้เป็นญาณต้นญาณที่หนึง่งกำหนดข อ, อย่างห น, องน่อแต่นั่งกำหนดท้องของหน่อยุกหน่ ก็จะเห็นชัดลงไปว่าพองกับยุบเนี่ยมาเป็นคนละอันท้องพองอันนึงท้องยุบอันนึงใจที่กงหนดพองยุบก็เป็นคนละเรื่องคนละใจอย่างนี้แล้วก็แยกรูปแยกนามสูงขึ้นไปกับกำหนดเรื่อยไปพองน้อยหนาก็จะเกิดพองยุบของหายไปนี่มันจะเข้าจิตยานสองต่อไปมันจะเกิดขนลุกเกิดน้ำตาไหลเกิดเห็นสีเห็นแสงเห็นสังสว่างนี่เป็นยานที่สามมาร์กแปะก็ยังทำหน้าที่คมไปเรื่อยไปทางศีลสมาธิปัญญา ต่อไปเขาจะเกิดยานสี่เห็นรูปน้มเกิ ด, ดกับเห็นกำหนดของน้ององมันจะขามดมุดให้เห็นชัดลงไปเลยนี่เห็นผดไตรักชัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนยก็โดยอำนาจมักแปดสูงกําไปถึงยานที่ห้าพังขยานตัวเบานั้นมักแปด ก, ก็ยังทําหน้าที่ ก, กํงงาหนดรูปขางน้ำอยู่ถึงยานที่หกพย า, ยานกลัวก็ยังทําหน้าที่ของมักแปดถึงยานที่เ็ดอาถรรพ์เบือนายทุกโทษเยอะ ถึงยานที่แปดเบื่อนายไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์นั่นยานที่มรรคแปดก็ทําหน้าที่ไม่หยดุดยิ่งเข้มงวดกันโดยลําดับถึงยานที่ 9, เก้าก็ใจโกวนกว็ไหวมรรคแปดก็ยังทําหน้าที่ของเขายึดขันห้ากรูรุ่งกระนไปถึงยานที่สิบปฏิสังขายานใจเข้มแข็งื้อตายมรรคแปดยิ่งเข้มแข็งขึ้นไปถึงยานที่สิบเอ็ดสังขารูปปิคยานนี่มรรคแปดทําหน้าที่เป็นสังขารุปิคยาน ด, ดูรูกรูน้ำเฉยหินเกิดหิงดับอยู่นะั่น่ะ แต่ว่าใจไม่ออกไปทางเหนือนั่งเพินแล้วเวทนาไม่กวรแล้วถึงยานที่สิบสองสามารถจะรู้ชัดว่ารูปนามมันดับลงไปตรงไหนเมื่อไร่อันนี้มรรคแปดทำหน้าที่เกือบสมบูรณ์แล้วเหลืออีกนิดเดียวไม่มากนะถึงยานที่สิบสามโคตรรพุยานมรรคแปดยึดไม่ผ่านแี่ยตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์ละเมื่อกี้มันยึดขันห้าคือรูป ก, กับนามตั้งแต่ยานที่หนึ่งถึงญาณที่สิบสองยึดรูป ก, กับนามเป็นรมนุ่ยมายังไม่พร้อมกันมรรคทั้งแปด รุ่นจะพร้อมกันพอไปถึงยานที่สี่สามโคตรตรพุยานไม่ใช่มรรคแปอย่างเดียวทิ้งสติปัฏฐานสี่สมมปัฏฐานสีอิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโคตรรงเกตมรรคแปดสามสิบเจ็ดขั้การร่วมกันเต็มที่เกือบร้อยเปรเซ็นตแล้วได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าแล้วถึงตรงนี้ยเหลือนิดหนึ่งกิเลสยังไม่ขาดแต่ยึดนิพพานเป็นอารมณ์แล้วพอถึงยานที่สิบสี่มรรคยานเท่าไรเลยหนึ่งคณาจิตเท่านั้นตรงนี้แหละกิเลสขาด สติปัฐานสี่สมปะปทานสี่อิทธิบาทสีอินทรีห้าพระห้าโคทงเจ็บมรรค8ดเข้าพร้อมกันเรีบทั้งสามสบประการนี่เรียกว่ามรรคสมังชีความพร้อมเพรียงของมรรคทั้งแปดเข้าพร้อมเพรียงกันในขณะจิตดวงเดียวเท่านั้นขณะนั้นจิต ด, ดวงที่หนึงเป็นบริกรรมที่สองเป็นอุปาฌานที่สามเป็นอนุโลมที่สี่โคตรตะปูที่ห้ามรรคเนี่ยชณะนั้นจิต ด, ดวงที่ห้านี่แหละมรรคเกิดตรงนี้นิพพานถึงตรงนี้กิริขาดตรงนี้ สีป่ปรฐานสีสัมปทานสีอิทธิบาทสี่อิน 5, 5, 5, 5, ทรห้าพระหโพธิรงเกิดมักแต่ขาดพรับพร้อมกันหมดเลยฮะผลลยานยานต่อไปก็ผลลยานสองขนาดขิตเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ลงผวังขจิตต่อไปปัจเจเวคัญญาณต่อไปแล้วนี่มักขสมังคีจะต้องเป็พร้อมกันตรงนี้เมื่อมักขังจีเกิดมาในกิเลสขาดเมื่อ น, นั้นนี่แหละทั้งทั้งหลายที่สมเด็จพ่อสอนไ ว, วาเอตันหิตุงหี เอเสวมโคโคนัดันโยทางสายนี้เป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่เป็นไปพร้อมผู้คคามบริสุทิ์หมดจดแห่งทัศนะคือปัญญาที่รู้แก่งจริงตามคนมเป็นจริงทางสายอื่นไม่มีรอยเพราะไม่ใช่ทางสองแพ่งดังนั้นสมเด็จพ่อจึงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าเอกาญโนอายังพิขาวมคโคสัจตนังวิสุตติยาโสกะปริเทวังสมติกบายะดังนี้เป็นตน้น แปลว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นไปพร้อมเผื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทางหลายเป็นไปพร้อมเผื่อความนะดับโสกศร้าปริเทวานาการเป็นไปพร้อมเผือความดับความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเป็นไปพร้อมเผื่อบรรลุมักขุลุิพานทางสายนี้ก็คือปฏิปัฏฐานสี่ได้เจริปัจจนามักแปอันเดียวกันเมื่อเจริญปฏิปัฏฐานสีก็คือเจริญมักแปดเจริญมักแปดก็คือเจริญวิปัจจนาเมื่อปฏิบัติอย่างนี้คือว่าปฏิบัติโขเก้าหมด ทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมรวมลงสู่จุดเดียวเท่านั้นคือความไม่ประมาทได้เจิมีสติสตินี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดเครียกประสติประธานมีสติเป็นประธานพระพุทธองค์ทรงย่อคำสั่งสอนทั้งหมดโซแปดมือนสี่พันพรรมะขันเหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาเหลือข้อเดียวคืออัปปมาทะแปลว่าความไม่ประมาท ความไม่ประมาทก็คือมีสติคนมีสติก็คือคนเจริญสติปัฏฐานสี่คนเจริญสติปัฏฐานสีก็คือคนเจริญมัชแปมัชิมาปฏิปทาคนเจริญมัชแปกก็คือเจริญวิปัตนาอันเดียวกันต่างกันไปชื่อโดยสภาวะหลักยูที่เดียวกันนัดนางนั้นในอัตตกะถาธรรมบทภาคสองอั ป, ปมาทวัตรเรื่องพนางสามาว ด, ดีหน้าหกสิบวันทัชทินหนึ่ง ท่านจึงแจกไว้ละเอียดในขั้นพระอรหันต์ท่านกล่าวไว้ว่าสกัลังปิหิเตปิตตะกังพุทธวัจจนะอริตตวาคติยมานังอัปปมาทังเอวโอตรติจิงโยพุทธวจนังอันวักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตปิตตะกังจบทั้งสามปิดดกสกลังตัแม้ทั้งสิ้นอาหริตธวาคติยมานังที่พระนักเทศพระธรรมกัทธินมัทิธโยมฟังอยู่นั้น อัตมาดังเอวะโอตรติรวมลงสู่จุดเดียวเท่นั้นคืออะไรคือความไม่ประมาทอะไรเล่าเป็นตัวความไม่ปมาทสติยาอภิวาโสสติยาอวิปวาโสอัปมาโลนะมะการไม่อยู่ปราศจากสติที่วความไม่ประมาท น, น, นี้เราจะเห็นได้ชัดเหลือเกินว่าสติประฐานคือมีสติเป็นใหญ่เป็นประธานก็ได้เพื่อพูดจเจริญวิปัสนากรรมฐานนั่นเอง ทันสารุชนผู้ใจบุญถล า, ายเมื่อหัวข้อธรรมะวันนี้ในหัวข้อว่าย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากมีแหล่งหนทางรัดหนทางย่อปฏิบัติสั้นๆจะได้ประโยชน์เยอะผลได้พ่อใคยตรัสไว้ว่ายาวตาตรัสไว้ว่ า, านะตาวตาธรรมัโลยาวตาพงุพาสตินะตาวตาธรรมัโลยาวตาพงุพาสติคนที่พูดมาก ไม่ใช่ชื่อว่าผู้ทรงธรรมโยจะอปปังปิสุตตวานะธรรมังคาเยนปติโยจะอปปังปิสุตตวานะผู้ใดฟังธรรมะแมน่นอนนิดเดียวแต่ว่าสามารถจะเห็นธรรมะด้วยนามกายคนนั้นคือว่าเป็นผู้ทรงธรรมะคนนั้นคือว่าเป็นผู้หม่ประมาทธรรมะเห็นไหมเรากําหนดแค่สองคำพองน้องยกเหนืแต่มันผูกอริยสัจสี่หมดเนี่ยคือตัวปัญญานี่แหละนามกายคือปัญญา หินนามกายในะกห็นปันด้วยปัญญาอคำนิดเดียวสองคำโยจะอัปังปีสุตตะวะผูดด้ใดฟังธรรมะแม่น้อยแกว่าเพียงคำสองคำเท่านั้นเห็นพองน้องก็สองคำยึบน้องก็แผ่สองคำจะมันผูกอริยสัจท้องพองนี่คือทุกขอริยสัจปัญหากนรไกรให้ท้องนุนแท้นี้คือสมุทัยอริยสัจสติที่กนดพ้องน้องนี่เป็นมรรคอริยสัจ ขณะที่โนูพอน้อยกิเลสขาสตัจิตชาติเป็นนิโรธอริยสัจนี่โธอริยสัจหมดไปเมื่อโทกแล้วก็จะว่าโกต้องตามธรรมนองของธรรมในพระไตรปิฎกนังนั้นสมเด็จพ่อจึงเตือนไว้ว่าโกจิภิคอยฮะโกจิภิคอยภิคนโนโคจโรสโกเมติโกวิสโยยททะทิทังจัตตโรสติปัฏฐานา โลกรท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายธรรมะใดที่เป็นโคโจรของพิกโกธรรมะนั้นเป็นอมะตะมรดกเป็นมรดกอันไม่ตายอันดังเดิมของมรดาบิดาโคโจรคืออารมณ์นั้นในเกสติปฐานทั้งสี่นีโ่โลตเนี่นี่แหละเรียกว่าหนทางที่เราจะต้องเดินย่างไปทั้งนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้มากควายย่างหนอใสหนอคองหนอยุกหนอนี่แหละ ผมได้ยินก็นได้ยินน้อยยินน้อยนี่น่ะนี่ชื่อว่ามักแปดในแนวปฏิบัติแต่ให้หัวข้อว่าย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต่องเสียเวลามากญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญถลายวันนี้อัตมาเทศเดียววันก่อนก็เทศเดียวเพื่อให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นจึงขอสมมุติพิจิลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยช น, น์สั้นนี่ยนวาสารการรันเป็นในสิ่งสุดชื่นย่ลงแห่งการแสดงพระอัตมาเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะ โดยอานุภาพแห่งคุณนภคีรัตนต ร, ตรยัยอติไสบุญยเขตและโกศลสมบัตินวัตเกิจธรรมามิตรสกคารบูาชาที่ันซาทุกชนในบ่มเพนมาขอจองเด็กเป็นตะเดชะปกปองเหล่าสายโยมผู้ใจบุญทลายให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ทกข์ให้โศกให้โรคให้ไผ่เจริญหนุอยอายุวันณะสุขะพะละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดกันเป็นนิดมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสตจธรรมนำคนในผลทุกข ถึงสุกอันไฝบุญกล่าวคือมาค้นือพ่านด้วยกันทุกท่านเทิน